ท่นเวล่างท่านเป็นสังฆปรินายกองค์ที่6นะของพุทธศาสนานิกายฉานหรือชานซึ่งภายหลังก็กลายมาเป็นเซนนะในประเทศญี่ปุ่นท่านก็มีเกรดประวัติที่น่าสนใจนะหลายตอนทีเดียวอย่างเช่นตอนหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านหลบลี้หนีภยัยจากวัดเดิมนะที่ท่านไปทำงานเป็นคนรับใช้ แต่ว่าสามารถจะเข้าถึงธรรมจนกระทั่งเจ้าวาดมอบตำแหน่งสังคปริยนยกให้ท่านก็หลบเลี่ยนหนีภัยมาอย่างเมืองกวางเจาตอนที่ไปถึงวัดนั้นน่คือวัดกวงเซียวเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังยังอยู่เลยนะแม้เวลาผ่านไปพัน0กว่าปีแล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยก็กำลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียง คนก็ฟังจนล้นสารลาแล้วก็ออกมาจนถึงนอกสารลาท่านก็อยู่ข้างนอกนะก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็มีคนสังเกตนะธงทิวเนี่ยมันปลิวสวยนะอ่าอยู่บนหลังคาสารลาเขาก็พเพื่อเพื่อนนี้เนี่ยดูสิธงมันไหวเพื่อนมองแล้วบอกไม่ใช่ธงไหวหรอกลมมันไหวต่างหา ก็เถียงกันสองคนนะแต่ต่อหลังคนนี้มาร่วมเถียงร่วมแจมก็มีมากขึ้นเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึ่งก็บอกทงไหวอีกฝ่ายนึงก็บอกลมมันไหวตั้งหายิ่งเถียงก็ยิ่งเกิดอารมณ์เาเป็นธรรมชาติของการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเกิดอารมณ์ขึ้นมาจากที่ยังเถียงยังไม่ยอมจบเนี่ยก็ ทุกคนก็เดินเสียงจากท่านเว่ยหลังนั่นบอกว่าจิตของพูกท่านต่างหากที่ไหวบอกว่าทั้งหมดนี้ได้สติเลยนะเราก็หันมามองที่ตนเสียงก็รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาตอนลังท่านเว่ยหลางก็ก็ปร่งผมแล้บวชที่วัดเย็นนะเจดีย์ที่บรรจุ เส้นพระเกศเส้นเก า, ามท่านก็ยังมีอยู่เลนะที่วัดกวงเซี่ยวทุกวันนี้ เ, เกรดตรงนี้น่าสนใจนะสิ่งที่ท่านไวิลางเตือนคนเหล่านั้นคือว่าให้หันมามองตนให้หันมาดูใจของตนนะอย่าไปมัวส่งจิตออกนอกตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะที่เถียงกันเนี่ยใจเนี่ยมันไปอยู่ที่ธง แล้วก็ถกเถียงกันจนลืมดูใจของตัวเนี่ยกำลังรุ่มร้อนกำลังกระเพื่อมไหวแต่ท่านไวหลังเนี่ยพูดเช่นนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนได้สติมารับรู้ใจของตนนะว่ามันมีกำลังกำลังมีอารมณ์โกรธมีความไม่พอใจมาฟังธรรมแท้ๆนะแต่ว่าใจนี้กลับรุ่มร้อน คนเราเนี่ยนะก็มีตามองเห็นสิ่งภายนอกแต่เราก็ยังมีสติที่สามารถจะเห็นใจของตัวเองได้และการที่เราจะสนใจแต่สิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่พอนะเราต้องหันมารู้จักมองตนด้วยไม่ใช่มองแต่หรือเห็นแต่ข้างนอกแต่มองเห็นข้างในหรือว่าเห็นตนเองด้วย อันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่คือการที่รู้จักหันมามองตนนะแม้เราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้รับรู้โลกภายนอกแต่การมองตนนี่ก็สำคัญแต่คนมักจะมองข้ามนะไม่ว่ายุคใดสมัยใดจำเรื่องที่อาจารย์ออสเนี่ย เคยบอกผู้ที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งมีหลายคนนะบอกว่าเนี่ยให้เข้าไปดูนะในห้องน้ำเนี่ยมีใครอยู่ในห้องน้ำไหมทุกคนก็ไปนะเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำซักพักก็ออกมาแล้วบอกจันทร์ว่าไม่มีใครเลยในห้องน้ำตอนก็บอกให้ไปดูใหม่ซิ ไปดูเสร็จกลับมาก็บอกเหมือนเดิมไม่มีใครเลยท่านก็บอกให้กลับไปดูใหม่ที่จริงก็น่าจะเฉลียวใจเลยนะแต่ทุกคนเนี่ยหรือว่าทัพทุกคนเลย ก, ก็พอเข้าไปในห้องน้ําเสร็จออกมาก็บอกไม่มีใครในห้องน้ําเลยอาจารย์ที่จริงมันมีนะก็ตัวเราเนี่ยตัวเราอยู่ในห้องน้ำอะตอนที่ชงโงกหรือตอนที่เดินเข้าไปในห้องน้ําดูว่าไม่มีใครเนี่ย มันมีหนึ่งคนที่อยู่ในห้องน้ำนะคือตัวเราหรือตัวผู้ที่ไปดูแต่เป็นเพราะไม่มองตนไงมองแต่ข้างนอกเนี่ยหรือมองไม่เห็นตนพอเอาแต่มองข้างนอกไม่มองมาที่ตนหรือไม่มองตนก็เลยเข้าใจว่าไม่มีใครในห้องน้ำ น, ะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะคนเราเนี่ยเรา หลงลืมเรื่องการมองตนทั้งๆ ท, ที่น่าจะเฉลียใจแล้วนะวะอาจารย์ออสให้ไปดูหลายครั้งแล้วมันคงไม่ใช่แค่มองไปข้างนอกเดือะต้องกลับมามองตนด้วยหลวงป่าชาท่านนะพูดว่าเนี่ยยกตัวอย่างเวลาคนนะเอามือล่วงเข้าไปในหลุมเนี่ย ถ้าลวงไม่ถึงก้นหลุมนะอยท้องลอยจะบอกว่าหลุมมันลึกแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นทำไมทุกคนพูดเหมือนกันเลยนะว่าหลุมมันลึกนะแต่ไม่มีใครบอกเลยนะว่าแขนมันสั้นหรือแขนตัวเองสั้นเพราะเขาไม่ได้มองตนไงเขาพอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยอ้างหรือโทษหลุมว่ามันลึกแต่ไม่ได้กลับมามองว่า เ, เป็นเพราะแขนเราสั้นหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนเนี่ยแต่มักจะลืมมองตนเพราะมองตนเนี่ยนะมันมีความหมายตั้งแต่ว่าออมองแล้วรู้ว่าเนี่ยเราเองเป็นคนมีนิสัยอย่างไรมีความถนัดอะไรนะมีความจัดเจนอย่างไรแล้วก็มองลึกไปถึงเห็นว่าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าไม่พอนะต้องมองให้ลึกไปถึงขว่าตอนนี้เนีมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราไอการมองเห็นตรงนี้เนี่ยมันคือการมองว่า ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เราตอนที่เรามองว่าเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกโกลัรู้สึกสบายใจเนี่ยอันนี้มันยังหยาบอยู่นะแต่แม้เพียงเท่านี้หลายคนก็บางทีตอบไม่ได้นะว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกอย่างไรแต่แม้จะตอบได้ว่าฉันรู้สึกอย่างไรเนี่ยมันก็ยังเป็นการมองที่หยาบอยู่นะถ้าเรามองให้ละเอียดก็จะพบว่าเนี่ย มันไม่ใช่เรารู้สึกนะแต่มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจตรงเนี้มันทําให้เราเนี่ยที่มองไปเห็นตรงกันทั่งว่าเนี่ยความรู้สึกก็อันหนึ่งตัวเราก็อันนึงซึ่งสําคัญนะแลนเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกที่เรามาเจริญสติเนี่ยก็ม า, มาฝึกให้เห็นตรงนี้แหละให้เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายโดยที่ไม่ไปยึดไม่ไปตีกุ่มว่าเป็นเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะอาจารย์ประสงค์นั่นเคยท่านเคยเล่านะเคยไปงานศพงานหนึ่งแล้วก็เจ้าภาพก็ให้ลูกสาวนี่มาอุปถาต้อนรับลูกสาวก็อายุสิขวบนะเด็กคนนี้เด็กฉลาดนะท่านก็เลยคุยสนทนาด้วย เสร็จแล้วก็คุยสั่งพระท่านก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีหนูฉลาดนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็ล้วงเอารูปประคัมจากย่ามของท่านมาให้ตอนที่เด็กเห็นรูปประคัมเนี่ยเด็กร้องอูหูอาจารประสงค์ท่านวัยท่านก็ถามว่าหนูร้องอูู้หนูเห็นอะไรเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะ เด็กไม่ได้ตอบหนูดีใจนะหนูดีใจก็เห็นข้างในดีใจมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ตอบ่าหนูเห็ข้างในดีใจค่ะฉันก็ถามต่อไปว่าเราหนูทําอะไรกับมันเดี๋ยวก็ตอบว่าหนูก็ไม่ทําอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันเบาลงแล้วความดีใจลดลงแล้วอันนี้คือ เด็กเนี่ยกลังบอกว่าเนี่ยกำลังบอกเราถึงว่าเนี่ยเห็นกับเป็นมันต่างกันอย่างไรเด็กไม่ได้บอกว่าหนูดีใจนะหนูดีใจคือความดีใจหนูเป็นผู้ดีใจแต่ว่าเด็กบอกว่าดูเองข้างในามาดีใจเนี่ยถ้าเรามองตนเนี่ยแล้วมองด้วยสติ เ, เราจะเห็นเลยนะว่าไอ้ความรู้สึกนี่มันไม่ใช่เรา ใหม่ๆนี่เราก็จะว่าเรารู้สึกอย่างงน้นเรารู้สึกอย่างนี้แต่พอเรามองด้วยสติโดยเพพาะสมาสติมันก็จะเห็นเลยนะว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นและความรู้สึกนั้นไม่ใช่เราและตรงนี้แหละน้าที่มันจะไม่มีกูผู้ดีใจกูผู้เสียใจเกิดขึ้นอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเห็นไม่ข้อไปเป็นมีนักปฏิบัติคนนึงนะหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเขียไปสอบอารมณ์ ไปถึงก็ถามว่าเป็นยังไงนะเธอก็ตอบว่าหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อทำไงดีหลวงพ่อท่านตอบว่าเนี่ยยังถามไม่ถูกนะถามใหม่นะเรามาอยู่หลายวันแล้วเธอก็คิดสักหน่อยแล้วเธอก็ตอบว่าเนี่ยหนูเห็นมันเครียดจังเลยหลวงพ่อหอลวงพ่อบอกเออดีแล้วล่วลวนะอย่างนี้ถูกแล้วล่ะ หนูเครียดกับหนูเห็นมันเครียดไม่เหมือนกันนะมองใหม่ๆเนี่ยมองตนใหม่ๆก็เห็นว่าหนูเครียดแต่มองด้วยสติลึกเข้าไปมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่หนูเครียดแต่มันมีความเครียดเกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นให้ถ้าเรามองตนเนี่ยนะเราก็ต้องก็ควรจะมองตนให้ลึกไปถึงขั้นนี้เลยนะพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่มีเราละ เป็นนั่นเป็นนี่มีอารมณ์มีความคิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เราและต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่มองใจและเห็นอารมณ์และความคิดต่อไปมองกายแล้วมันก็จะเห็นเวทนาแต่ก่อนเนี่ยเวลาปวดก็บอกฉันปวดฉันปวดฉันเมื่อยก็ยังดีนะที่ยังมองเห็น แต่ว่าเราควรจะมองให้ละเอียดกว่า น, นั้นแล้วมันจะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ฉันที่ปวดนะมันไม่ใช่ฉันที่เมื่อยนะแต่เป็นกายที่ปวดกายที่เมื่อยหรือว่ามองให้ลึกไปก็จะเห็นว่ามันมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่แขนเกิดขึ้นที่ขาแต่ถ้ามองไม่ละเอียดมองหยาบๆก็จะเห็นว่าเนี่ยฉันปวดฉันเมื่อยมีผู้ปวดเกิดขึ้น แล้วผู้ปวนี่มันก็เกิดจากการปรุงแต่งคือปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วถ้าเราเห็นนะว่ามันเป็นกายที่ปวดมันเป็นกายที่เมื่อยนะไม่ใช่กูปวดกูเมื่อยเนี่ยตรงนี้มันก็จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดกับใจเนี่ยมันน้อยลงหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าพอเรา ไปสำคัญมากหมายว่ามีกูมีเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจเลยพอกายปวดแล้วไม่เห็นว่ากายปวดแต่เกิดเขาโซกูปวดนี่นะมันต่างจากความรู้สึกว่ากายปวดกายเมื่อยนะอาจารย์พูดท่าเนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบว่าเนี่ยเวลามีดบาดนิ้วเนี่ย ถ้าเห็นว่ามีดบาดนิ้วนะมันไม่เจ็บเท่ากับความรู้สึกว่ามีดบาดฉันพอมีเขาช่วมีดบาดฉันนี่โอ้มันเจ็บมากเลยแต่พอเห็นว่ามันสักมันเป็นแค่มีดที่บาดนิ้วนะความรู้สึกเจ็บมันจะต่างกันมันจะลดลงไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวกูนี่มันมันมันทำให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายนะ ถ้ากายปวดเนี่ยกายเมื่อยนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอกูปวดกูเมื่อยเนี่ยจิตมันจะเป็นทุกข์เลยเช่นเดียวกันนะเวลาเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเห็นความ เ, มเบื่อเกิดขึ้นในใจเห็นความโศกเกิดขึ้นในใจเนี่ยหรือความเศร้าเนี่ยมันยังไม่ทุกเท่ากับเมื่อไปเกิดความสาคัญไม่หมายว่า ฉันปวดฉันโกรธฉันเศร้านะฉันทุกข์นะในการเจริญสติเนี่ยถ้าเราถ้าสติของเราจเจริญงอกงามเนี่ยมันจะทำให้เห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่เรานะที่คิดมันไม่ใช่เราที่โกรธ แล้วก็มันไม่ใช่เราที่เดินที่นั่งแต่จะเห็นละเอียดนะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายกับใจอันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแต่ก่อนเห็นเป็นดุ้นเป็นก้อนเป็นเราเป็นเราแต่ว่าพอมีสติมันก็เห็นความจริงที่ละเอียดลงไปนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเดินนะเป็นรูปที่เดินมันไม่ใช่เรานั่งแต่เป็นรูปที่นั่ง ทรนองเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เราที่โกรธนะหรือไม่ใช่เราที่ทุกข์แต่มันเป็นความโกรธความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจซึ่งมันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันมากฉั้นถ้าเรามองตนนะอย่างละเอียดเนี่ยนะเราก็จะเห็นเราจะก็จะพบกับความสงบได้ง่ายขึ้น ระหว่างคนที่เห็นความโกรธกับคนที่เป็นผู้โกรธเนี่ยความทุกข์มันต่างกันนะถ้ารู้สึกว่าฉันโกรธนี่โหมันรุ่มร้อนเลยแต่ถ้าเห็นความโกรธนี่มันอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะถ้ามีความรู้สึกว่าฉันปวดเนี่ยมันมันรู้สึกแย่เลยแต่พอเห็นความปวดหรือเห็นกายปวดเนี่ยนะ ความรู้สึกมันลดลงอาจจะหารสามเลยก็ได้กายปวดแต่ว่าจิตไม่ได้ปวดด้วยเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกว่ า, ากลัวปวดฉันปวดพอมีตัวกลขึ้นมาเมื่อไหร่นี่ความทุกข์มันคูณสามเลยนะอันนี้พูดแบบหยาบๆก็เช่นกันถ้าเราเห็นอารมณ์ความ ท, ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อย่างที่ได้พูดอยู่นะว่าเนี่ยพอเราเห็นพอเรารู้ทันเนี่ยมันก็วางหรืออารมณ์ที่ถูกเห็นมันก็สงบลงอย่างที่หลวงปู่ดูลนะ่าเคยบอกนะว่าเนี่ยมีคนถามว่าเนี่ยทาํยาไมจะตัดความโกรธให้ขาดได้นะท่านบอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองหรือมันก็หายไปเอง พอหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความสงบดันั้นถ้าเราเห็นเนี่ยด้วยสติเนี่ยหรือถ้าเรามองตนอย่างละเอียดนี่นะมันก็จะเกิดความสงบขึ้นได้ไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดไม่ใช่เพราะไม่มีความโกรธไม่ใช่เพราะไม่มีความหงุดหงิดแต่เป็นเพราะว่าไม่ไปยึดเมื่อเห็นแล้ว มันไม่เข้าไปเป็นก็คือไม่เข้าไปยึดมันก็วางหรือมันก็ไม่มีการต่ออายุให้กับความคิดหรืออารมณ์หล่อนั้นมันก็ดับไปเกิดความสงบแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเห็นมากกว่านั้นนะคือเกิดปัญญาไม่ไม่แค่ความสงบแต่เกิดความสว่างก็คือเห็นว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้ไม่ใช่เราความกวนไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราความเหงาไม่ใช่เราความเบื่อไม่ใช่เรา แต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็เข้าไปยึดนะ่เป็นเราเราโกรธนะเราทุกข์เราเศร้าซึ่งมันทำให้หลงหนักเข้าไปาใหญ่การที่เราทำอะไรด้วยสติเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะมันไม่ใช่เราทำแต่มันเป็นรูปที่ทำมันเป็นเป็นกายที่ทำเดีย๋ยวเราเดินจงกรมเนี่ยนะ มันไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินหรือกายที่เดินมันไม่คิดว่าเป็นเราเดินเวลาคิดมันก็เห็น ว, ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นไม่ใช่เราคิดเวลาปวดนะมันก็เป็นความปวดที่เกิดขึ้นกับกายแต่ไม่ใช่เราปวดคือไม่มีผู้ปวดผู้อยางได้เครื่อมันมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมันก็ทำให้เกิดการ ก็จะเกิดความสงบแล้วเกิดการวางจากทุกข์ล้าก็ทําให้เกิดปัญญาที่เห็นความจริงด้วยในมหาสติปฐานสูตรเนี่ยท่านก็แนะนําการปฏิบัติไว้เห็นกายเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาความหมายเนีก็คือว่าเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เรา เห็นจิตหรืออารมณ์ความคิดว่าเป็นจิตไม่ใช่เรามันคือการเห็นความจริงนั่นเองเป็นเพราะเราหลงเป็นเพราะเราไม่มีสติเราก็เลยหลงไม่เห็นความจริงไปมองว่ากายคือเราไปมองว่าเวทนาคือเราไปมองว่าจิตคือเราแต่จริงแล้วเนี่ยการสติมันทําให้เราเห็นนะความจริงที่ซื่อตรงๆแล้วว่าเห็นกายว่าเป็นกาย ไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เรามันเป็นความจริงที่ซื่อตรงมากนะเริม่มก็ช่วยทำให้ความทุกข์ลดลงเวลาเวลาปวดมันก็ปวดแต่กายใจไม่ปวดด้วยเวลาโกรธนะพอเห็นความโกรธเข้านอกจากความโกรธมันจะดับแล้วไอ ต, ตอนที่มันยังไม่ดับเนี่ยมันก็เห็นนะว่าโกรธไม่ใช่เรา ถ้าเราโกรธเนี่ยมันทุกข์นะเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอยู่กลางกองไฟแต่ถ้าเราเห็นความโกรธเนี่ยก็เหมือนกับว่าถอยออกมาจากกองไฟกองไฟยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่ค่อยทุกข์ละเพราะว่ามีระยะห่างระหว่างกองไฟกับเราอันนี้คือภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นไม่ค่อยไปเป็น มันทำให้ใจสงบแล้วก็ทำให้สว่างเห็นความจริงว่ามันไม่มีเราและเวลาเราทำงานนะถ้าเราถ้าเรารู้จักมองตนด้วยสติเนี่ยมันก็ทุกน้อยลงนะนอกจากสติจะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตหรืออนาคตแล้วเนี่ย มันทํางทำให้จิตของเราเนี่ยวางได้ง่ายบางครั้งแม้กายจะเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยด้วยเหมือนกับเวลาเดินนะเดินเนี่ยกายมันเดินแน่นอนกายมันก็เหนื่อยแต่ใจไม่ได้เหนื่อยด้วยแต่ถ้าคิดว่าฉันเดินหรือกูเดินเนี่ยมันไม่ใช่กูกเมื่อยอย่างเดียวนะกูก็ทุกข์ด้วยเพราะว่ามัน ไปพ่วงเอาจิตเข้ามาเป็นผู้ทุกข์ท่านชุนเวลสุสุกิเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแบบเซนเนี่ยเป็นแห่งแรกในอเมริกาเมื่อสักหกสิบปีที่แล้วนะตอนที่ท่านเริ่มตั้งสำนักใหม่ๆเนี่ยท่านก็ได้อาศัยนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย ชาวอเมริกันนี่ช่วยท่านเองก็อายุ60บกว่าละห0สินต้นๆแล้วคนญี่ปุ่นสมัยก็ตัวเล็กแต่ว่าท่านโชคดีกันลูกศิษย์อเมริกันนีน่ร่างกายก็สูงใหญ่แล้วก็ยังหนุ่มสนะิบเกยี่สบก็มาช่วยกันแบกหินแบกแบกต้นอาแบกหินแบกเสาแต่หลายคนนะแทบทุกคนเลยพอทำไปได้ครึ่งวันก็เหนื่อย แต่อาจารย์ชุนเร็วเนี่ยแบกหินแบกเสาได้ทั้งวันลูกศิษย์นี่ทึงมากเลยท่าก็สงสยัยนยอาจารย์ทำได้ยังไงท่านก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่ลูกศิษย์ ง, งงเลยก็เห็นอาจารย์ทำงานไอ้ที่ทำาน่คือกายกายมันแบกแต่ใจไม่ได้แบกด้วยถ้ากายแบกแล้วไปํำคัญมาว่ากูแบกนี่มันก็เหนื่อยนะ เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่จันชุนเดียเนี่ยท่านท่านแบกแต่กายนะกายนี่แบกหินใจไม่ได้แบกด้วยไม่ได้มีความรู้สึกว่ากูแบกหินไม่ได้มีความรู้สึกกูเหนื่อยดังนั้นไอความเหนื่อยเป็นของกายนะแต่ว่าใจไม่ได้เหนื่อยด้วยและที่สำคัญคือว่าไอที่แบกนี่คือกายนะใจไม่ได้แบกด้วยไม่ได้แบกทั้งความสําเร็จความคาดหวัง แล้วก็ไม่ได้แบกหินด้วยเหมือนกันท่านจึงบอกว่าเนี่ยท่านพักตลอดเวลาไอ้ที่พักเนี่ยคือใจเนี่ยใจไม่ได้แบกมันแบกแต่กายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แบกแต่กายนะมันกูแบกกูแบกกูแบกกูก็เลยเหนื่อยกูก็เลยทุกข์ก็เลยหมดแรงทําได้ครึ่งวันงั้นถ้าเรานะรู้จักมองนะมองตนเนี่ยอย่างละเอียดนะตามความเป็นจริงเนี่ย เวลากายทําอะไรใจก็ไม่เป็นต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกายแบกแต่ใจไม่ได้แบกด้วยมันก็เลยไม่เหนื่อยเวลาเดินอย่างเช่นเดินธรรมยาตานะกกายจะเหนื่อยแต่ใจไม่ได้เหนื่อยด้วยเพราะมันไม่มีความรู้สึกว่ากูเหนื่อยกูเหนื่อยอยืนนย่งพุทธรนี้